จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราชสอ5พเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากกิจการต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำความดีมาสร้างบุญสร้างบุญศนเพื่อเป็นการเสริมความเป็นเสริมงคลให้แก่ชีวิตดังใ น, นพระทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าอเซวนาจบาลานังบันเิตานัจเซวนาปูชาจปูจนิยานัง เอตัมบังการมุตมตังบงแปลว่าการไม่คบคนพาลหนึ่งการครบบันดิตหนึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่คือการที่จะทำให้เกิดมงคลขึ้นมามีอยู่สองข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งคือไม่ให้คบคนพาลคนพาล น, นี่ก็คือคนไม่ดี คนงอสองให้คบบัณฑิตบัณฑิตก็คือคนดีคนฉลาดอย่างวันนี้ญาตโยมก็ได้มาวัดการเข้าวัด น, นี้ก็เป็นการเข้าหาบัณฑิตคือคนดีคนฉลาดคนที่ดีคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนี้ก็คือพระพุทธเจ้าลองมองมาก็คือ พระอรหันตสาวกลองลงมาก็คือพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเช่นพระอนาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันและลองลงมาก็คือพระผู้ทรงศีลทรงธรรมบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นคนดีเพราะท่านมีการกระทำความดี เป็นเครื่อง ย, ยืนยันการกระทำความดีก็คือการกระทำที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่ ไม่ไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่กับใครก็ไม่มีใครรังเกียจมีแต่คนยินดีคบค้าสมาคมด้วยนี่คือบัณฑิตที่มีความดีและมีความฉลาดความฉลาดก็รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคม รู้ประมาณรู้การละเทศะถ้ามีความรู้แ่านี้อยู่จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขรู้เหตุรู้ผลก็คือให้รู้ว่าผลที่เราปรารถนากันเช่นความสุขและความเจริญนั้นเกิดจากการกระทำของเราเหตุคือการกระทำของเรา ทางกายทางวาจาและทางใจทางใจก็คือความคิดทางวาจาก็คือการพูดทางกายก็คือการกระทำด้วยร่างกายการกระทำนี้เมื่อทำไปแล้วก็จะส่งผลให้เกิดขึ้นมากับตัวเราเองถ้าเราคิดดีพูดดีทาดีผลคือความสุขความเจริญก็จะกลับมาสู่ใจของเรา ผลนี้ไม่ได้หมายถึงผลที่อยู่ภายนอกเช่นความเจริญในลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายผลเหล่านี้เกิดจากเหตุได้หลายประการทําไม่ดีก็เกิดการเจริญในลาบยศสรรเสริญได้เช่นโกหกหลอกลวงช่อโกก็ร่ำรวยได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ นี่ไม่ใช่เป็นผลที่ทางพระพุทธศาสน า, าตั้งเป้าไว้เป้าหมายของความเจริญนั้นอยู่ที่ใจเพราะใจนี้เป็นผู้ที่จะรับผลผู้ที่จะอยู่ต่อไปเพราะใจไม่มีวันตายผลที่เราได้รับจากสิ่งภายนอกเช่นลาบยศสรรเสริญ เป็นผลชั่วคราวเป็นความเจริญชั่วคราวตายไปก็จบเอาไปไม่ได้แต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปใจต้องไปต่อถ้าใจทำความดีคิดดีพูดดีทำดีใจก็จะไปดีไปสู่ที่เจริญที่เจริญก็คือที่อยู่ของเทวดา พระพรและพระอริยะเจ้าทั้งหลายนั่นเองคือที่ไปของผู้ที่คิดดีพูดดีทดําดีความสุขก็อยู่ในใจเวลาทําความดีแล้วจะเกิดความสุขใจอิ่มใจไม่ต้องรับรางวัลจากใครไม่ต้องให้คนเข้ามายกย่องสรรเสริญให้รางวีรางวาัลถึงจะเกิดความสุขขึ้นมา การทำบุญการทำความดีนี้ต้องไม่ต้องไม่ต้องการผลตอบแทนจากใครทั้งนั้นถ้าต้องการผลตอบแทนเรียกว่าไม่ใช่เป็นการทำความดีเรียกว่าเป็นการทำการค้าขายเหมือนกับเราไปซื้อของที่ร้านเรา เ, าเงินให้เขาเขาก็ให้ของเรากลับมาอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำความดี ถ้าเป็นทานความดีให้เงินเขาแล้วไม่เอาของบอกว่าจะมาสนับสนุนเห็นว่าขายไม่ดีขาดทุนสงสารก็เลยเอาเงินมาให้เขาแต่ไม่ต้องการเอาของเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีความดีก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ ที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นและย้อนกลับมาสู่ผู้ให้คือตนเองการทำความดีนี้ไม่ต้องมีรางวัลเพราะผลมันเกิดขึ้นทันทีที่เกิดการกระทำขึ้นมาอย่างวันนญาติโยมมาทำความดีกันนำเอากับข้าวกับปลาอาหารของขา้าวของหวานมาถวายพระ โดยที่ไม่ต้องการผลตอบแทนไม่ต้องการรังวี่รังวัลอะไรทำแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาใจก็พัฒนาสูงขึ้นจากเป็นมนุษย์ก็จะขึ้นไปเป็นเทวดาผู้ให้ก็คือเทวดานี่คือผลที่เราควรที่จะตั้งเป้าไว้ ถ้าไม่เช่นนั้นเราจะเกิดความท้อแท้ได้เวลาเราทำความดีแล้วเราไม่ได้เจริญในลาบยศสร ะ, ะเสริญไม่ได้เจริญในความสุขทางจ่าหูจมูกวิ่งกายแต่นั่นไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการเพราะผลที่เกิดจากการเจริญในลาบยศสร ะ, ะเสริญนี้เป็นความเจริญที่จะต้องมีวันเสื่อมและมีวันหมดไป ความสุขที่ได้รับก็จะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปเช่นเวลาร่ำรวยก็มีความสุขแต่พอยากจนสิ้นเนื้อประดาตัวก็จะเกิดความทุกข์ตามมาแต่ผู้ที่ทำความดีนี้จะรวยหรือจะจนก็มีความสุขได้เพราะความสุขที่เกิดจากทาความดีนี้ ไม่ได้ผูกติดไว้กับลาบยศสรรเสริญไม่ได้ผูกติดไว้กับบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆจะมีไม่มีไม่เป็นปัญหาขอให้ทำความดีไว้แล้วจะมีความสุขจะยากยาจนขนาดไหนก็มีความสุขได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหลานตสาวกและพระอริยบุคคลทั้งหลายรวมถึงพระภิกษุสัมมาเนย ท่านก็อยู่แบบคนยากจนท่านไม่มีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองมากมายกายกองเหมือนพวกเรามีกันอยู่แต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าพวกเราเพราะท่านทำความดีอยู่ตลอดเวลาท่านคิดดีพูดดีทำดีใจของท่านจึงมีความสุขหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆส่วนพวกเรานี้มีทรัพสมบัติมีข้าวของเงินทองมีบุคคลต่างๆ มาคอยบำรุงบำเรอมาให้ความสุขกับเราแต่เรากลับไม่ค่อยมีความสุขกันเพราะเราไม่ได้คิดดีพูดดีทำดีตลอดเวลานั่นเองเวลาส่วนใหญ่เรามักจะไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกันจึงทำให้ใจไม่สบายนี่คือเรื่องของเหตุและผล ที่พวกเราควรที่จะทำความเข้าใจถ้าเราอยากจะมีความสุขความเจริญขอให้เราคิดดีพูดดีทำดีและขอให้รู้ว่าความเจริญนั้นอยู่ที่ใจเพราะใจนี้คือเราเราเราอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราไม่ได้อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญเราอยู่ที่ใจ ดังนั้นทาอะไรขอให้เราทำเพื่อใจทำให้ใจเกิดความสุขทำให้ใจเกิดความเจริญแล้วเราก็จะเจริญอย่างแท้จริงเพราะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความเจริญทางลาบยศสร ะ, ะเสรินั้นก็จะศูนย์หมดไปแต่ความเจริญทางใจยังอยู่ต่อไปทำให้เราได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเลื่อนยศ จากมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาจากเทวดาก็ได้ไปเป็นพรหมจากพรหมก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นพระอารหันเป็นขั้นสูงสุดของการพัฒนาและความสุขของแต่ละขั้นก็มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับความสุขของเทพก็มากกว่าความสุขของมนุษย์ความสุขของพรหมก็มากกว่าความสุขของ ขอเทวดาความสุขของของพระ อ, อริยบุคคลก็มากกว่าความสุขของพรหมความนี่เป็นความสุขที่จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตามการกระทำความดีต่างๆของเราถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องใจของเราก็จะก้าวขึ้นไปสูงขึ้นไปตามลาดับ แล้วรับรองได้ว่าไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราตลอดชีวิตนี้มีแต่การคิดดีพูดดีทำดีเช่นทำทานอยู่เรื่อยๆ ร, รักษาศีลให้บรสิสุทธิ์ศีลห้าศีลแปดตามลำดับตามกำลังของเราทำได้มากน้อยเพียงไรก็จะได้ผลมากขึ้นไปเท่านั้นทำทานมากก็จะได้ เป็นเทพที่สูงขึ้นไปรักษาศีลได้มากก็จะเลื่อนขึ้นไปจากเทพก็จะไปสู่พรม์มถ้ารักษาศีลห้าก็จะได้เป็นเทพถ้ารักษาศีลแปก็จะได้เป็นพรหมแล้วถ้าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบจเจริญปัญญาก็จะได้ขั้นของพระอริยเจ้าพัฒนาขึ้นไปเรื่อย พอถึงขั้นสูงสุดก็จะไม่ต้องมีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายทุกกับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรายังกลับมาเกิดอยู่เราก็ยังจะต้องเจอสภาพเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเกิดร่ำรวยหรือเกิดมายากจนก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน จะต้องพัดพรากจากของที่เรารักของที่เราชอบไปเหมือนกันถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราก็ต้องทำความดีขั้นสูงสุด <c oughs> ก็คือขั้นวิปัสสนาขั้นภาวนาที่จะสอนใจให้ละความอยากต่างๆให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ในโลกนี้ มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขแต่เรามองไม่เห็นมันเราเห็นมันเฉพาะส่วนที่มันให้ความสุขส่วนที่มันให้ความทุกข์นี้เรามองไม่เห็นเช่นเวลาเราเจอแฟนเจอคนที่เราชอบเราก็อยากจะอยู่กับเขาอยากจะให้เขามาเป็นแฟนของเราเราก็คิดว่าได้เขามาแล้วเราจะมีความสุข แต่เราไม่คิดว่าเราจะต้องอยู่กับเขาไปนานสักเท่าไหร่แล้วเขาจะเป็นเหมือนตอนที่เราเจอเขาใหม่ๆหรือเปล่าเขาไม่เปลี่ยนไปหรือเขาไม่แก่ลงไปหรือเขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาไม่ตายหรืออันนี้เรามองไม่เห็นกันเราไม่คิดกันเราคิดเพียงแต่ว่าเห็นอะไรที่เราชอบเรารักเราอยากได้พอได้มาแล้ว เราจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองพออยู่ไปนานๆก็เกิดการเบื่อหน่ายกันขึ้นมาได้คนที่เคยรักก็อาจจะเปรียดกันโกรธกันขึ้นมาได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ทำอะไรเสียหายแต่เนื่องจากใจนี้จะเบื่อกับสิ่งที่จาเจไม่เชื่อลองรับประทานอาหารที่เราชอบดูรับประทานทุกวันดูทุกมื้อดู ไม่ต้องไปรับประทานอย่างอื่นต่อให้ชอบขนาดไหนถ้าต้องรับประทานทุกวันทุกมื้ออยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เบื่อเองกินไม่ลงไม่อยากกินฉนันใดคนที่เรารักเราชอบขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราต้องอยู่กับเขาอย่างจําเจเห็นหน้าซ้ําแล้วซ้ําอีกต่อไปก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเองนี่คือสภาพของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เขาไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรถ้าเรามองเห็นความจริงอนนี้เราจะได้ไม่อยากได้อะไรเพราะเราจะไม่อยากเจอกับความทุกข์ที่จะตามมาให้เราเข้าหาความสุขใจดีกว่าหาความสุขใจที่เกิดจากการทาบุญให้ทานหาความสุขใจที่เกิดจากการรักษาศีล หาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบที่ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจงนี่แหละเป็นความสุขที่เลิศที่สุดวิเศษที่สุดเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาลันตัสสาวกทั้งหลายท่านมีเป็นสมบัติไว้ครอบครองตลอดเวลาท่านจึงไม่เดือดร้อนกับการอยู่แบบขอทานท่านอยู่แบบไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลต้นกายแต่ท่านมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่พวกเรามีกันอยู่นี้และเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่อยู่กับใจไปตลอดไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเรามีกันได้เดี๋ยวเดียวแล้วก็หายไปหายไปแล้วก็ต้องไปหามาใหม่หามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็หายไปหมด ปล่อยให้เราอยู่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่เรื่อ ย, เ ร, อยเราจึงต้องทุกขทรมานเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มาบุคคลต่างๆที่เราได้มานั้นไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องมีการพาดพาดจากกันไปนี่คือเรื่องของการที่เราเข้าหาบัณฑิตบัณฑิตท่านจะสอนให้เรา ทำความดีให้คิดดีพูดดีทำดีด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดใจฉลาดก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้จะทาให้เราต้องเสียใจในภายหลังจะทำให้เราต้องทุกเวลาที่เราได้เข้ามา ทุกพ่อรักพ่อห่วงเรารักอะไรเราชอบอะไรพอเราได้มาแล้วเราก็ไม่อยากจะให้คนอื่นแย่งออกไปเราก็ต้องห่วงต้องห่วงเวลาที่เขาไม่อยู่กับเราเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีเขาเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับเขาเขาจะอยู่เขาจะไปเขาจะเป็นอะไร ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เราอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่มีความสุขใจนั่นเองเพราะเรายังทำความดีไม่ถึงเต็มขั้นนั่นเองถ้าเราทำความดีถึงเต็มขั้นแล้วได้พบกับความสุขทางใจที่เกิดจากความสงบของใจแล้วเราจะอยู่คนเดียวได้เราจะไม่เดือดร้อนว่าจะมีอะไรหรือไม่มีอะไร อย่างพระพุทธเจ้าพาาระอรหันต์นี้ท่านไม่เดือดร้อนท่านมีอะไรหรือไม่มีอะไรท่านมีความสุขของท่านได้อยู่ตามลําพังได้เพราะท่านมีความสงบที่เกิดจากกา ร, การทําความดีขั้นสูงสุดนั่นเองก็คือขั้นภาวนาขั้นทานขั้นศีลนี้ให้ความสุขใจในระดับหนึ่งแต่ยังไม่พอเพียง ต่อการที่จะยับยั้งความอยากไปหาความสุขต่างๆได้ถ้าอยากจะมีความสุขระดับที่สามารถยับยั้งความอยากต่างๆได้ต้องสร้างความสุขที่เกิดจากการภาวนาการทำใจให้สงบวิธีจะทำใจให้สงบนี้เราต้องมีสติสตินี้เป็นเหมือนเครื่องเบรกใจ ใจจะสงบก็ต้องหยุดคิดปรุงแต่งถ้ายังคิดปรุงแต่งวิพากวิจาร์เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ใจก็จะไม่สงบถ้าใจอยากจะสงบต้องมีเบรคเบรคของใจก็คือสติสติก็คือการละเลิกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวอย่างเดียวเช่นให้ละลิกอยู่กับคำพุโทโธพุธโทโธ เราเกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจเราจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คนนั้นคนนี้ไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้พอไม่คิดใจเราก็จะว่าจะเย็นจะสบายและเวลานั่งหลับตาใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ ถ้าเราได้พบกับความสุขอันนี้แล้วเราจะไม่อยากได้อะไรเราจะเบื่อกับความสุขต่างๆเพราะถ้าเราใช้ปัญญาเราจะเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสิริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันได้มาแล้วก็หมดไปเช่นเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เราออกไปเที่ยวกันไปดูหนังไปรับประทานอาหารกัน ตอนนี้มันหายไปไหนหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ก็อยากจะออกไปทำไมต้องออกไปเรื่อยๆเหมือนกับคนติดยาเสพติดเวลาที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านจะรู้สึกอึดอัดอยู่บ้านแล้วลำคาใจแต่พอได้ออกไปนอกบ้านนี่รู้สึกดี อ, อกดีใจแต่พอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมอีกเพราะความสุขต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราว ไม่จีรังถาวรไม่เหมือนกับความสุขที่ได้าจากการทําใจให้สงบนีดังนั้นถ้าเราอยากจะออกไปหาความสุขนอกบ้านคราวหน้าบอกว่าลองมาหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าสอนให้หาไม่ดีกว่าหรือลองมานั่งสมาธิกันทําใจให้สงบกันถ้าใจสงบแล้วจะไม่อยากออกไปไหนอยู่บ้านสบายกว่าไม่เสียเงินเสียทอ ไม่ต้องออกไปเสี่ยงภัยบนท้องถนนไม่ต้องไปเสี่ยงภัยกับพวกวิชาชีพต่างๆอยู่อยู่บ้านปลอดภัยกับอยู่กันไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขให้แก่ใจพอใจไม่มีความสุขข้างในก็เลยต้องเด้นออกไปหาความสุขข้างนอกแต่แทนที่จะไปได้ความสุขบางทีก็กลับไปได้ความทุกข์กลับมาออกไปข้างนอกอาจจะเกิด อุบัติเหตุรดชนรดคว่ำกันหรือออกไปแล้วถูกเข้าจี้ถูกเข้าปร่นถูกเข้าจับไปข่มขืนกันอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีความสุขภายในใจถ้ามีความสุขภายในใจแล้วไม่จําเป็นจะต้องออกนอกบ้านในยามวิกาลอยู่ในบ้านปลอดภยัยยามวิกาลนี้เป็นช่วงเวลาที่อันตราย ถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆแล้วไม่ควรที่จะออกไปเสี่ยงกับภัยต่างๆอยู่บ้านปลอดภัยกว่าถ้าอยากจะอยู่บ้านได้ต้องหัดเจริญสติเพื่อที่จะควบคุมความคิดให้หยุดคิดให้ได้ถ้าหยุดคิดได้แล้วใจจะสงบใจจะมีความสุขแล้วจะไม่อยากไปไหนไม่อยากจะมีอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากบัณฑิต เวลาที่เรามาวาดกันมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราสร้างความสุขสร้างความเจริญที่แท้จริงไม่ใช่สร้างความสุขความเจริญที่มีความทุกข์มีความเสื่อมตามมาความสุขความเจริญที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้ไม่มีความเสื่อมไม่มีความทุกข์ตามมา ทำไปมีแต่จะเจริญสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพจากเทพก็ไปเป็นพรหมจากพรหมก็ไปเป็นพระอริยเจา้าจนไปถึงพระอาหารหันต์พระพุทธเจา้าขั้นสูงสุดนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากการเข้าหาบัณฑิตและเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สรมงคลก็คือการอยู่อย่างสุขอย่างเจริญน่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายนั่นเองจึงขอให้พวกเราพยายามเข้าหาบัณฑิตกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะมีความสุขและความเจริญที่แท้จริงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย